เกิดมอุกานมาเย็นๆไปเลยไปเลยตัวตาาตัวตารัาต้องเกิมา้เดินเร็วๆะดก็ถ้าเบกบ้ เราก็เดินเดเดิน้าแล้วก็ติเกิดเราก็เดินช้ามันตงดูตัวเแท่แล้วก็เดิเหอนเงือนกับทุกคนั้ใจทั้น้ำอีสติปัญญาของเราช่วยตัวเองได้แค่นสังเกตใช้ความสังเกตตัวอย่นิสสุมานัสติกาเมืทานใหญ่ติดเกิดบ่อยเอาอย่าง้แหละติดแหมแล้วติดวองเลย ในโครงสร้างขนาดเนี้ยจะตึงเต็มลดดูเด่นชัดสบายขึ้มดูดูเป็นสปีด้นั้นดเห็นตัวใจปฏิบัตินะเนต่วใจเกลือเรือหลวมเล็กแต่คืนคือคือดีรู้สบาายจริงๆน่าดูสุดนะ แค่ปฏิบัติทำไม่ได้ทำอะไรรู้ตัวไว้นะไม่รด้อะไรให้รู้อย่างที่เป็นไปไกลไกลอย่างที่เป็นแค่้ถ้าเสือมไปก็รู้ไม่ได้เ่งอะไว้แต่รู้ผงต่อเป็นจริงไม่ได้แค่นั้นเองนแลอะไรเกิดขึ้นก็ได้ทั้งหมดตกทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นมาแต่ก็รู้จักไว้เป็นอย่าไปดีหรือ้ายกันนะ อาจเริ่มต้นย่ อ, อาหารู้สภาวะไปสภาวะธรรมเกิดขึ้นมาคนทั่วไปไม่เห็กสภาวะคนทั่วไปรู้แต่เรื่องกิดคิดคิดทั้งวันมารู้เรื่องาาคิดคิดไม่เห็นสภาวะของรูปของนามตัวไปลตัวไกลนับปฏิบัติมาหัรู้สภาวะมาหัดรู้สภาวะได้มนันมากแต่ก็หัดรู้เรื่อยๆพอสภาวะธรรมต่างๆเกิดขึ้นจิตมันเกิดปฏิกริยา เป็นความมีดีไร้เงิ น, นไม่เป็นกลา ง, งต่อสภาวะพอรู้ทันความไม่เป็นกลา ง, งต่อสภาวะก็รู้ทันควาไม่เป็นกลางแต่จะเป็นกลางจะดีไม่ต้องแก้นะแกแค่ว่ายินดีไร้ก็รู้อย่างที่ขอบเ็ตพอรู้ทันอย่างเนี้ทีเรศมันจะทํองงาอยางผิดมาได้สภาวะธรรมมันก็จะแสดสงคามเกิดดับให้หนึ่ึซื่อๆนะีย กรรมดีดี้ายจแสดงกรรเกิดจากตัวสภาวธรรมอันแรกที่มัวยิต้องเกิดดับเพืดูเหตุี่เรืงเกิดกระดับไม่มีเรื่องเจริญกระเทือนณปฏิบัติข้านาวนี้เจริญชนี้สเรนั้นทค่จิตเป็นาตาจิตียจิตมียวเหเจริญอเส่อกับปัจจุบันาวะเจริญกะเทือไม่มีเจริญกระเือมเป็น่กเก็บเียงูกไห ตอนหน้านี้แย่กว่าตอนนี้ก็บอกเดี๋ยวนีนจ้จะเลยตอนหน้านี้มันดีวน ก, กว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าจะเรียกเสืไม่ใช่ของจริงของจริงก็คือสภาวะทั้งหมดเกิดระดับเกิดระดับถตอนหน้าตาปานี้ถ้าหลงก็งงไปกินดีกินร้ายกเด็กกินปักหังกิน้าหลักว่า้หลกักว่เหตุเป็นกลางจิตใจไม่ไดื้อจนขวาจิตใจไม่ดืแต่ จิตใจที่ไม่สูงแต่งคูอกายอย่างที่มันเป็มรูอใจที่ที่มันเป็มไม่เติมอะไร้นไปไม่สูแต่อะไรคือจิตใจค้อยตามความีค้อยตามความจริงล้อตามหักงก็คืออันห้านี้ไม่เที่ยงเป็นุูเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมซึ่งค้อยตามความีแต่เดิมตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเราปฏิเสธธรรมะปฏิเสธความจริง เราอยากให้ขันห้าด้มันดีสาวอนมันสุกขสาวอนนี่มันปฏิเสธของจริงของจริงไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรสุขไม่มีอะไรที่ทำได้อย่างใจแต่มังได้เข้าถึงนธรรมะถ้าว่ามันปฏิเสธธรรมะเข้าถ้าใจยอมรับธรรมะมันไปตามตัปจะไปตามตัปสีทุกอย่างไม่เที่ยงเลยไปทำให้มันเที่ยงยังไงใจไม่ดีเกินนะ้นทอย่างมันทุกข์อ่ะไปทำให้มันสุขได้ อย่างเป็นอนัตตาเลยไปสังคับมันได้แต่ซับซึ้งถึงใจร้อยตามคามดีแต่จะเข้าถึงธรรมะที่เข้าถึงธรรมะก็มันจะหมดความปรุใแต่งในแค่สิ่งจะสักว่ารู้สักว่เห็นในแ่แค่สิ่นี้นตรงนี้สักว่าสักว่าเ่งสุดคีนเลยตรงนี้ตงนี้ใจมน้อยตามความแต่เดิมมันสักว่ารู้สักว่าเห็นแต่ยัูอยู่นาไม่เข้าไปแสบๆสักว่ารู้สักว่าเห็น ในขั้นท้ายๆนี่ก็คือเห็นสภาวะมันเปลี่ยนดับไปไปต่างต่างสิ่งไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างนี้เห็นยามรับบางสิ่งใไม่เข้าไปแตกแต่ใจไม่ทิ่รุนใจไม่แตกแต่ใจก็เข้าถึงธรรมธรรมาพิทักษ์เป็นการไม่ที่รนไม่มีความยิ้ไม่เข้าไปแตกแต่ไม่เข้าไปทำอะไรไม่ดึงแต่ กระุเตืนใจเรคนฝั่งหนึ่งแต่คนเี่ครามุขลุนเลยนะจริงผมไม่รู้จอาะไรมเทนะากที่พอเรานี่มันรว่าท่านผ้นี่และก็ดือดั้นหายถึงสิเล่นั้นในการเมต谛รรรักเพื่อให้เ t o s e d a y รับการเกณฑ์ไม่ดีทรงที่ว่าดีนีทรงที่ไม่ได้ทําอะไรรู้เฉยๆแต่ทรงทรงใจไม่ได้ทําอะไรที่อยากที่จะเข้าี่เรียนแบบส่งที่เคทํามันไม่ได้ผลครูบาอาจารย์บางทีถ้าในสอนบอกว่าทูกกิเลสต้องใช้สติปัญญาสดๆแล้วร้อนไปสู้มันเอาของเก่าไปสู้ไม่ได้ผล ตอนจริงหลวงพมันยูยูทำไมมันไม่ได้ผลเนี่ยหลวาพเป็นคนทาบมาเหตุผลนะชั้นฟ้าทำไมเราทาแล้วมันไม่ได้ผลเหตุัลวันนี้ได้ผลสองวันได้ผลเมื่อวันที่สามเมอวันี่สี่ไมได้แล้วเพราะว่าจริจริแล้วเราทำด้วยความคาดหวังทำด้วยความคาดหวังว่ามันจะได้ผลที่อับสุกบนดินแท้คอนกรีนแป้เพราะฉะนั้นไม่ได้ผลัพาะสติไม่เกิดหรอกทำาพเหมือนเดินเสี่ยงเช่นบางคนขยับอยู่แล้วตื่น พออีกวันขยับวังไม่จะ้ตื่นไม่ตื่นอ่ะเพราะอะไรวัฏโลคามันนำหน้านะด้วยความคิดความภาคหวัมันนำหน้าไปไม่ได้ผลดแต่ถ้าขยับเหมือนเดิมเนี่ยแต่ด้วยความรู้สึกตัวที่แท้จริงในบทุกทีก็ดีที่นักบวชมาเก็ในโ่วงที่เราเรียนเดินทางในสังสารวัฏที่พยายามหาทางพ้นเพื่อจิตใจมันจะพ้นความที่หลงในใจ มันจะหาทางค้นคว้าว่าทํายังไงนะมันจะดีทำยังไงมันจะเลผลคิดว่าทํายังไงมันจะได้ผลค้นอยู่อย่างนี้หวังว่ามันเด่นเด่นทำตอบสําเร็จรูปว่าทำอย่างนี้แล้วได้ผลทุกครั้งหนึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้ไม่ได้ผลแต่ว่าใจมันจะหมดเปนกลามไม่ได้จะค้นไปจนกระทั้งหมดกติหมทปัญญาทําอะไรไม่ได้เป็นมุมสติเรศต้องเข้ามุมนะ เป็นคนก็ยอมตายไม่ต้องตายสวายชีวิตเลยบางคนจะรู้สึกเหมือนเจอว่าถ้าภาวราต่อไปนิดเดียวเนี่ยจิตใจจะระเบิดจะตายละวาคนจะรู้สึกเลยว่าาวนาอีกนิดเดียวเนี่ยนะจะริบกระด้าบ้าเป็นคนความตู้ปีนขันจะไม่ไหวครับส่วนมากเขาเจอสภาวะนี้ไขวหนึ่งยหนเสร็จแล้วก็มาตั้งต้นใม่อนุญาตเก่า ถ้าตอบพระใจสองจมีปีนถ้าตอสู้สุดสุดสุดปีัญญาเลยไม่รู้จะดิ้นรดจนกว่าอย่างไรสู้ตายนะตายก็ตายบ้าก็บ้าจกุจิตคจบาอาจารย์องเลยสอนไม่ทันปากตายนนถ้าไม่ตายก็รอดอยูแต่ไม่ใชุ่กคนคนเฉยแต่กรนก็ไม่ง่ายควรแฉะเห็นแี่มันไม่เที่ยงก็ยอมนะ คนแค่เห็นอนุตาเป็ยอมของคนพวกที่ทรงสมาธิมากมถ้าไม่เห็นทุกข์รุนแรงไว้ม่สวยแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อเดินไปสึดสายแล้วเนี่ยจะแตกกันมันจะแตกกันแบบไหนตรงนั้นเป็นหน้าที่ของผิดเขาจะเป็นไปเองหน้าที่ของเราตอนนี้ก็เพียงมีสุขสีรู้กายรู้ใจมันเป็นปัจจุบันมีหน้าที่เท่านี้แหละใจมันจะที่สดคนกว้า รู้สึกได้ผลได้ผลร็จแล้วก็ว ไ, ลลวไม่ได้ผลแล้วก็จะดิ้นอีกเมอได้ผลนะพานิแล้วก็ไม่ได้ผลทำแล้วสับดีทำแล้วสับีจ น, นท้อใจเลยนะแต่ทอใจแล้ว ก, ก็ต้องดูอีน้ำเลิอดสู้ไปเรื่อยรู้สึกถึงจิตหนึ่งบรรลุในทาอะไ ร, นะไรไม่ได้แต่จะดูความจริงว่าทาอะไรฉันนี้เป็นก็ผิดแล้วนะทำอะไรไม่ได้ไม่มีไฟทำจิตให้หนคนได้หรอือไม่มีไฟทำจิตให้มรรุมั่นส่วนนิพพานได้หรื ิเขารรลของเขาเองขนของเขาเองเหมืนกัติารเองคนเดีนีเพราะว่าสติปัญญามมมันเ็เ <allergies> ี่ยวถ้านนคอนเรยเขาเี่ย็นคนเ่คนอนกัไม่เป็นคนแจกวัตถุต่างๆทำงานไม่คนอภัยเลยเนี่ยสติหลักต้องต่อสู้นะมีหักทั้งสู้่ไม่่าแดงสู้เรา่ไว่ ตู้ด้วยเป็นิ่รเป็นยาตู้ด้วยคาสั่งสอนเราก็ไปิตได้ถ้าเรองิดลองสุกไปเยอะเลยลิดเราสูกทำอนี้ก็ผิดตามนี้ผิดามนี้ก็ผิดดยที่สุดท่ามารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเื่อท่านเห็นคนได้แรู้รนามัหน้าน่เองเมื่อท่านเหคนได้หมดบางเป็นจิดในหน้ละอวิชาสุโมตโตนาน ก็ดูไปรื่อยๆคือเาทั้งนักแต่บางทีดูแล้วนก็เป็นอะไรใจเป็นะไรก็เปนยาีวก็ถงเลยที่ะทนี้ขตรงใจหอเป่าไหมตรงยู่่อหร่าไหถ้าเไม่เปนไร่เน ถ้าเหนื่อยก็รับ้ามันไม่ได้ใจัรับึกเปียุกรับดีเปลี่ยนทั่วรับตลบเปียนรูปต้านรัละเอียดเปียหยางนเปี่ยน้างนอปียนแี่ยนมุดางน้งใเปลี่ยนข้างนอกรับที่ใกล้เปลี่ที่ไกลอยาไปนอกไกลใจนอยู่ ห้ามนไมได้แต่เรียนรู้ไปอะรียู้ดูที่มันจะยาสะพองแล้วไมมีอะไรเกิขึ้นนอกจากความทุกข์แล้วไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปที่เป็นทุกข์เพิเรือยรู้สึกมมัทุกข์เพเรื่อนหรือออกไมหรืออีนั่นดี แค่รู้สั่นแล้วะคอนนะแล้วก็นะวรู้ลงองทีเลยใจเลยจะสะคอนมันทาของมันเองเราไม่ได้ทาเลือใจเลปฏิบัติผิดกลาดเพิดพลาจะน้อเป็นสะคอนมันนึกว่าจะพาให้เราหลงผิดได้ใจในความเป็นจริงถ้าเราสลาดพอ เราจะเห็นมันได้การที่มันเข้าไปปรบคองเองเนี่ยมันแสดงใจรักแล้วเพราะฉะนั้นการที่มันหลงตัวไปประคองมาที่ไม่เจชนะเราด้วยกันหลอกให้เราประคองเนี่ยถ้าเราดูเป็นแล้วมันเกียร์ท่าเนี่ออกไหมมันแสดงใจรักแล้วมันประคองเองเราไม่ได้ประคองเลยแสดงว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอดูลงไปในมุมนี้นะแล้วทีนี้มันกลัวเลยมันลุกนี้ทุกลดมันเลิกประคองเย กัวเราจะหลุคพนง่ายๆมันจะไปเอาอันอื่นมาหลบกลรากิเลสมันจะไปหลอกลวงให้จิดมันหลงอันไหนหลอกได้มันก็หลอกลอยอันไหนหลอกไม่ได้มันก็เลิกไปหาของอื lo ่นมาหลอกดีแหละเหนไหเไม่ใช่กระสอบเราดูหลักนนาหลวงพ่อเบิรสีก็พูดนะหลวงพ่อไปหาท่านอาจารย์สุดใจคุยกัน ตอนนั้นปฏิบัติมันจะหนักระเบา่า แ, แค่นั้นไปเจ๊งไหมมันจะหนักจะเบาเราเลื่อนไม่ได้ดูอ้อมดูอ้อมไม่ได้ที่ยังพ อ, อนั่นนะที่รังพอนั่น ถ้าตื่นไปรับสติปเองแต่ก็ตั้งมั่นเองอัญญาเกิดขึ้นมาเพรการที่จตั้งมั่นเราเห็นใจเห็นใจนิ่งขึ้นหมาเหตดูไปจนมันเขาพอองเขาเะแต่เราไปพอแทนเขไม่ได้นะที่ใจก็าพอเขาเองเราคนถามว่าแล้วพอแล้วมันเป็นยังไงเมื่อไหร่จะพอเนะครับถามกรับคิดเองคิดถามเองนิดคิดเองนีดก็หวังผล ปฏแบัต like ิแบบบางคนเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้คิดจะจะได้มันก็เลยไม่ได้คิดจะเอามันก็เลยไม่ได้ปล่อยให้หมดนะเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้เหมือนกินข้าวนะกินไปเรื่อยๆแล้วไปก็อิ่งแหละแล้วไปคิดเมื่อไหรจะอิ่มเมื่อไหร่จะินมเไื่อไหร่จะคำละเทียนติดอยู่แล้วคุอยรู้จักไหมเตรียมนตะคองเลยเทียนตะคองอยู上 bok, 上่นะ ถ้ากระแสที่เราเอางคิดว่ า, าปฏิบันธ์เองจะถูกพยายามทาให้ถูกยังไม่ปลูกรู้ต่างความเป็นจริงจะูกพยายามทาให้ถูกไม่ปลูกแต่ว่าตะทอน้อยลงไปทำอะไรมาเออต้องอย่เรื่อหรือไปจเป็นปะทปะทองหนลาตเลยภานาติดหนะ ไม่เลยดีนะฝึกไปจะเป็นเพราแพ้เลรรงหมรงมีแรงว่มันก็วิ่ไม นีนความสุขก็รู้นี่นความทุกขก็รู้นะคิดสุดใจก็รู้คิดสุดวอิดเช่นงงนีไงรู้เพียดูมันแล้วดูคนอื่นถ้าเราสามารถเห็นจิตใจไม้ทางานเห็นคนอื่นทางานได้ใช้ได้แล้วเดี๋ยวันนีน้ัญญาจะแจ้งเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นคนอื่นคเคลื่อนไหวใช้ได้แล้วดูมันดูคนอื่นมีติดิตทราไหมอย่าไปทังคับนะ ตอนนี้เราบังคับแต่ก็แข็งแข็งทึบการปฏิบัติไม่ใช่การนั่งบังคับตวเองการปีิบัติคือการเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่บังคับนะเรียนรู้ว่าจริงๆเป็นยังไงจริงๆก็คือร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราเป็นวัตถุมีความติดพันอยู่ตลอดเวลามีธาตุไหลเข้าไหลออกอยูตลอดเวลาเช่นเด็เข้ามีเด็ออกร่างกายนี้เคลื่อนไหวตึงแรงไปตลอดเวลา จิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะมันมีเพี้ยงเกิดใจเรื่อยๆหลกไห้จิตเราทํางานเรื่อยๆหลวกไว้จิตทํางานทั้งวันก็คือหลวกไหมเขาทางานดีเราไม่ได้ทําแต่เขาทำเขาเองนั่นแหละมันมันแสดงร่องรอยให้เราเห็นก็จิงๆแล้มันไม่ใช่ตัวเราหรอมันทํางานได้ดีเมตไพรุงลงไปเป็นจิตใจนี้มันทํางานเราเองไม่ใช่เราทํานะ วันหนึงปัญญาก็แจ้งขึ้นมาโอ้จิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่มันไม่ใช่ตัวเรามันทำงานได้เองด้วยคืออะไรคือคอะไรที่ กรรเราหรือความไม่ชอบนี่เป็นความตื Aww, ่นคมื่นเป็นแค่สภาวะที่จิตไปรู้เข้าแป็นเมื่อจิดไปรู้สภาวะแล้วสิ่งที่โองกายหรทีกรรมหรจิตนะทุกความดีดีร้ายตัณหานลยตัณหาอยากได้อันนี้ดีอยากได้ร้ายอยากตักอันนี้แล้วดูจิต่วนนนาดีแล้วตัดขทุกโมตุส่งนันไม่น่าะคุณใช้ได้ ไปไทำยังไงครนะับทำยังไงดีบางก็มีกับการนรนู้นักปาชญีเพรกัญาณนมิตถ้ามีสองอย่างนะมีกัญยาณ น, นิมิตแกมีโยนิโสมนันสปิการเชี่ยงอย่างไดอย่างหนึ่งก็เอาตัวรอดแล้วกัญยาณ น, นิมิตคือครูบาอาจารย์ที่เดินทางไปแล้วไม่ใช่อาจารย์ทั่วๆไปครอาจารย์ทั่วๆไปเั็นปีศาจเราลงทางแล้ กัลยาณ์นนิสต์ ing, like จริงๆเหมือนครูบาอาจารย์ที่ได้ผ่านแต่ละจริงๆมีประสบการณ์จริงไม่ให้รูปๆลำๆพาเราลงไปไปด้วยโยนิสตัวมนั้งปิการบอกว่าการพิจารณาอย่างแยกขาใส่ใจสนใจศึกษาด้วยความแยบขาดสังเกตด้วยีิมีมนั้งิการคอยสังเกตกายเป็นเกณใจด้วยความแยกขาดว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้อยู่ในร่องในรอยที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล ถ้าเราหาครูบาอาจารย์หรือเราไม่มั่นใจในตัวครูบาอาจารย์แนละ้วให้โยนิโสมให้มากมาถึงวันนี้หลวอแนะนาให้ทุกคนเลยนะใหโยนิโสมันาอิการให้มากก็อะไรเพาเราไม่รู้หรอกว่าครูบาอาจารย์ของเราเป็นของจริงของอีหอกไมไม่รู้เพราะว่าไม่มีพระพุทธเจ้าจะไปยักยอกให้เราสมัยพุทธกาลนะใครจรู้าลหันระมเจ้า ก, ก็ชีให้่าไีได้ขั้นนี้ท่านนี้อนาคต น, านี้ต่ไป เราก็เรียนรู้ถ้าเรามีลรูบาอาจารย์ที่ได้รับการรับรองจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เรียนรู้อย่างมั่นใจกลับเป็นตับตายมาถึงวันนี้ไม่มีใครแต้ให้รับรองได้กระทั่งหลวงพ้อนะพระพุทธเจ้าไม่ได้มารับรองได้นะฉะนั้นอย่างโง่ที่เชื่อหลวงพ้อลูกเดียวนะต้องแยกตายในการคิจนะารณนาฟังหลวงพ่อเนี่ยฟังแล้วเอาไปลองทํารู้ หลวงพิอบอกวิธีปฏิบัติธรรมนี้สติเกิดธรมนี้สัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นเกิดธรรงนี้ปัญญ า, า, าเกิดธรรมนี้วิมุตติเกิดถ้าไปลองต้ลองนะและ้วก็ดูในวความแยกแยว่าสิ่งที่เราปฏิบัตินี่ยอยู่ในร่องรอยคํ้สอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่ายางหลวงพ่อไม่ได้สอนให้คหนวณคำนวณ น, น, น, น, นี่เป็นคําสตอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าต้องดูให้ดีค่อยๆดูนะและ้วต้วัดใจตัวเองนะ ปฏิบัติแล้วกิเลสปัญหาลดลงไหมกิเลสเยอะเพราอะไรยังไม่เป็นสมุทเทกิเลสแต่ว่าแต่เดิมไม่เห็นตอนนี้เห็นตอนนี้พัฒนานะแต่เดิมไม่เห็นกิเลสหรอกนึกว่าเราไป็นคนดีเอามาพาวนาแล้วรู้เลยหนาดังหน า, น า, ายเท่าเราหนายากนะจะรู้ เ, เ ร, เเรื่อยเรื่ยค่อยๆสังเกตไปค่อยดูไปปฏิบัติแล้วกิเลสลดลงจริงไหม ปฏิบัติแล้วจิตเป็นผูศลหรือจิตเป็นนอกุศลเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราจะคิดส่วได้แต่เมื่อเราเคยศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้โยนิโสมานัสติการไม่ใช่แต่ว่าคิดตามใจชอบโยนิโสมนสิการแบบว่ามีมนสติการใส่ใจเรียนรู้อย่างแยกกายที่ว่าแยกกายก็คือมันต้องตอดคล้องกับคําตอนของพระพุทธเจ้าถ้าข<อ>ัดแย้ง หรือเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าไม่แยกกายยกตัวอย่างของเราภาวนาแล้วจิตเราว่างทุกวันว่างทุกวันว่างคงที่อยู่ น, น, น, นี่เป็นเดือนเดือนเดือนเือนมานะถ้ามีโยโนยิโทมณติกาแยกกายมีการเปรบเทียบก็จะพบว่ามันขัดกับไตรลักษณ์ละอะไรมันจะดีสาวน์อะไรมันจะสนสาวน์ยิ่งตออ้องมีอะไรดี้าง หรือปฏิบัติแล้วใจมีแต่ว่างๆๆก็ปิดซากไม่มีแต่ความเที่ยงมีแต่ความสดมีแต่บังคับได้หรือว่าจิตใจเราว่าบางช่วงไม่ว่างเราปฏิบัตินิดหน่อยก็กลับไปว่างเรคิดว่าเป็นรู้ท่าละอันนิพพานอะไรเข้ามีออกอย่างไรในต้องของปลอกนิพฐานอะไรมีเกิดมีดับนี่เราจะชี้ขาดได้ด้วอความแยกขคลยว่าการปฏิบัติของเราสูกหรือผิดเลย ก็เราได้ศึกษามาแล้วก็ทำสอนที่พุทธเจ้าสอนจิงๆเป็นอย่างเงี้ยคือต้องค่อเรียนแล้วไม่ใช่โมเมเตามใจชอบหลายคนหมรู้หมดผีปฏิบัติเาเองครับที่เรเองเลือกวิธีปฏิบัติเราเองบางคนเหมือนเพริมแล้ถึงขนาดบอกว่าจะหาวิธีปฏิบัติเราเองถ้าอย่างนี้ไปหาวิธีอย่างน้อยก็ต้องยี่ติดมันสงไข หาไม่เลิกนะยี่สิบมาสงไข่อย่างมากถ้าหาไม่เลิกต้องตายจริงๆถ้าแปดสิบมสงไข่แสนนะครับเอ 45, ลฟาลติอาแปดสิบมาสงไข่ได้รับประโยาก์นะนี่สิบกอมาสงไข่ก่อนที่ได้รับประอยชน์นี่เยอะเลยคนที่หาได้ด้วยเลยก็คือนสุภสิทธิ์เจ้าหรืออย่างตามนี้ก็ปฏิเกธ อย่างฝีมืออย่างพวกเราหาเองนะไม่ไปหาที่เรียนเลยฉะนั้นต้องเรียนหลวงพ่อหรือทัานปรุงเรือนธรรมมากนะปรุงเรือนธรรมนี่เป็นปรุงที่ที่ดีสุดใครอยากห้เข้าปรุงกัเขาก็ได้นะเขาคงรับหลอกปรุงเรือนธรรมนี้เรียนทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติแล้วก็เามาเทียบกันด้วย นะเป็นาำราแล้ว ล, ล, ลงมือปฏิบัติหนึ่งลองคิดลองสูตน่แล้ววัดผลด้วยตัวเองิตใจของเราเนี่ยสติเกิดมากขึ้นไหมสัมมาสมาธิเกิดไหมปัญญาเกิดไหมไปวัดไปได้ไปดูยตัวเองอ่ดูเป็นลายใส่มากอย่าดูลายลายบานดูลายบันบนโมงวงเราก็ต้อง ร, รับวิ่ากเนี่ยสมมตินะเวลาเราเีปยนแค่สิ่งที่จิตไว้ เราตายในชาตินียังไม้บรรลุนะาติหน้าเราต้องเรียนในสิ่งที่จริงของเราอ่ะก็อะไรก็องจริงมันหายไปหมดแล้วแต่ของปลอมนั้นาติหน้าเราต้องเรียนในของจริงนี่แหละแต่ว่าตัวเลยที่ทาอยู่ตันนี้ใชได้แก็อ้ อย่าลงโลกนานะจด็ตายนั่นหละจดูนะหลวงพ่อช่องที่ลงมือปบัตนะิน่ะไม่เคยดเลยนะคือทุกวันไม่มีลาเวนดูตั้งแต่ตื่นเลยเด็ดขึ้นรถลงเรือกินข้าวขับน้ำกับทายทำอะไรดูหมดเลยนะยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดดูไม่ได้ขึ้นมาดีมากเลขึ้นมาสิตที่เป็นกุศลจริงๆเปน ตื่นเกิดบานเบาห่อนโยนนุมนวลไม่ถูกกเลดไม่ถุกมิร้อนซ่อมนำปัดเรียวต้องแท่วว่างไวจิเ ต, ตเป็นสุขเป็นส่จิตรงนี้มีปีติมีปีติแต่ว่าเป็นสิ่ี่เป็นปีติอันภูตนก็ขาดสติปีติเกิดร่วมกับอกนภตก็ได้แค่ดูสติมันเหมือนในตำราไหมเหม็นไหม กำลมันก็มีเป็นกัรุ่นหลังๆหมือยนะเกือเกือไมได้ไปเฉพาะเรื่องูปตารุ่นหลังที่ท่านแต่งกำลังท่านไม่ได้เ็่งเรอูปนี้เริ่มงิดเรื่ใจเรื่องตางเราชปโมเมลนะว่าตาที่แต่งกลังเป็นตาอาหารตินสัตย์พิย่ข้าพุทธโกศาจารย์เขาเขียนเอาเองบอกว่าท่านบังว่าจะไปรับใช้ตัด่านต่อไปเดี๋ยวเราพักเ